หลายวันหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ให้ความสนใจพัฒนาวัดวาศาสนาของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยหลวงพ่อได้มาประมวลได้มาล้ำลึกคิดถึงบุญคุณของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ให้การสนับสนุนทั้งทุนทะครับทั้งกําลังกายทั้ง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 หายใจเข้าพุทธหายใจออกโ่ขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโทนี่นะนี่แหละเป็นจุดยืนของท่านนี่แหละหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงจากนั้นก็เมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าเออมาหาเมื่อจิตสงบแล้วให้นามาพิจารณาออกทางด้านปัญญานะต้องเดินวิปัสสนานะ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 แต่กลุ่มหนึ่งบ้านิพพานเป็นอนัตตาแต่นี้ยเขากดถกเถียงกันเพราะในส่วนเขากดนำทําคําถกเถียงกันน่ ะ, นะอพอลูกศิษย์ลูกหาลูกหลวงตามีเยอะใช่ไหอก็มาถามหลวงตาครับหลวงตาในฐานะที่ท่านภาวนาที่ท่านมั่นใจใว่าบริสุทธิ์เนี่ยนิพพานนั่นคืออะไรเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยหลวงตาท่านก็ฮึมนัตตา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 จากนั้นท่านก็ถอยลงมาชานที่เจดที่หที่ห้าที่สที่สามที่สองที่หนึ่งจากนั้นท่านก็ย้อนจากที่หนึ่งที่สองที่สที่สท่านเข้าไปถึงรูปประชานและอารูปประชานรูปประชานคือชาญที่สอารูปประชานคือเป็นสารที่หพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างชาญที่สกับชาญที่สในระหว่างจากนั้นก็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 เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสิทธิารุสิทธิ์ทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังเสียงอะไรให้พวกเราอยู่ในความสงบนิ่งนิ่งไม่ใช่ไม่ใช่นิ่งแบบโง่โงเช่อเช่นะไม่ใช่นิ่งแบบดูดายไม่รับผิดชอบอย่างไม่ใช่พอนิ่งเสร็จแล้วแล้วให้กั่นกรองไตรตรองเหตุและผลแต่ถ้าหากว่าพวกเรากระโดดโลดโลดเต้นนะตามจังหวะที่เขาต้องการนัะ เราจะเสียท่าเสียทีนะลูกหลานคณะจัตวาญาติโยมนะให้เราเป็นผู้นิ่งแล้วก็อประพฤติปฏิบัติชีวิตนี้มันไม่มันมันน้อยนักน ะ, เ, ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านชินพระชนไปนะั่นแหะญาณสังวรนะั้นท่านบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักเออท่านบอกอย่างนั้นมันน้อยจริงๆนะิงอะมันไม่ถึงร้อยปีแต่ต่างคนก็ต่าง